เป็นทั้งหมดตอนนี้ตันทิการโจรเป็นคนโง่กว่าภาษาลิบทโยมฟังให้ดีนะจะหาว่าโกหกขึ้นที่เราพูดรักษาประโยชน์เองเขาไม่ใช่โกหกนะแล้วได้ถามว่าโยมโยมทําอะไรท่านอะไรบอกว่าผมเขาจ้างผมเป็นพิธีฆ่าคราับราชาจ้างเป็นพิธีฆ่าสมฆาคนท่านก็ถามว่าโยมสมมติว่าโยมมีนายจ้างอยู่คนหนึ่ง แต่นายจ้างเนี่ยถ้ามีนายอยู่ร้อยไร่แล้วก็เวลาทํานาให้โยมทาํางานเขาเสร็จอยากจะถามว่าไอ้ผลในนานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของโยมและเป็นของนายจ้างกิจกรรมตามพิการจนจะก็พูดตามความเป็นจริงเขาก็เป็นของนายจ้างสิครับผมเองก็ได้แต่ค่าแรงงานที่เขาจ้างแต่ในถามว่าที่โยมฆ่าคนเน่ยโยมฆ่าโดยเจตนาเขาโยมเองแล้วใครเขาใช้ค่า เราตะมิกระโจงก็บอกว่าพระราชาใช่ข่าท่านถามว่าในเมื่อพระราชาใช่ข้าถ้าโยมเป็นลูกจ้างเขาผลในานานายจ้างเขาเป็นคนได้แต่โยมก็ได้ได้ค่าจ้างนี่คนที่ตายทั้งหมดที่โยมข้าพระราชาใช่ข้าในบาปอยูก่กับใครท่านก็ไม่ได้บอกว่าบาปอยู่พระราชาท่านถามอย่า ง, น, า ง, ง, งาานั้นอิจานั่งโง่กว่าพระชาดีบุตรแเจ้าแกงโง่ได้ดีนะแต่ไม่ใช่งโง่ไม่ใช่งโง่ชั่ว แกงโง่กว่าภาษาริบหรือแกก็นึกว่าไอ้บาปเนี่ยมาตกอยู่กับพระราชาเจก็เลยบอกบาปก็อยู่กับพระราชาดีครับเพราะว่าบาปอยู่กับพระราชาภาษาดีบบอกว่าท้านโยมจะหนักใจทําไมในเมื่อโยมเป็นคนเขาจ้างให้นี่ในบาปอยู่กับพระราชาพปโยมก็มไม่ตงตกใจท่านก็เทศน์ใหม่ที่อะไรสงทานใช่ไหม เทศอันนี้สงทานก็นถือว่าท่านมีผลอย่างไงนนี้ก็ว่าไปตามเรืดิมพอจบก็ปรกกากฏว่าท่านพิการโจนได้สําเร็จสุดยอดดาบันเห็นไหมอันนี้เราจะถือว่าการพูดรักษาประโยชน์ไม่ใช่มุสาวาสถูกไหมจำใหดีนะโ ย, ยมนะจำ ม, มาไปนะเราพูดเพื่อรักษาประโยชน์ของเราหรือเราพูดเพื่อรักษาประโยชน์ของเขา อย่างเชาคนที่มาขอยืมสตางค์แล้วก็ต้องมองหนุนหน้าขยืมแล้วขยันจ่ายไอ้นี่เราก็ให้ได้ที่เรา่ให้ไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยยิ่งเกินไปในเมื่อเราไม่ฟุ่มเฟือยเราให้ไปแล้วก็อดนี่เราก็ต้องบอกว่าไม่มีดอกเองินที่ย้ายปลูกมันไม่มีใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่บุษบาวาาเป็นการรักษาประโยชน์ของเราเองถ้าถูกเงินเรามีอยู่แต่ว่าถ้าเขาไปเรามันก็เดือดร้อนใช่ไหม ถ้าว่าเราไม่เดืดร้อนก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ต้องรักษาประโยชน์ไว้นี่เราพูดให้ฟังว่าการพูดเพื่อรักษาประโยชน์เราหรือรักษาประโยชน์เขาไม่ทำลายประโยชน์ของเขาไอ้ที่เขาจะมากู eh ้เราเนี <S <s ่ยมันไม่ใช่ประโยชน์ของเขาหรอกนะเขาไปแก่กลุ่มของเขาแต่เขาทำให้เราคุ้มมันก็ไม่ห้อมเมืนกันใช่ไหมอันนี้น่าว่าเขาเอาไปเขาก็ยันให้เราก็ให้กู้ได้แต่เงินเราก็อยู่ในขอบเขตจำกัดไม่ใช่มีเหลือเฟือ ถ้ามีสักหมื่นล้านนี่มันคือยืมสักพันสองพันก็ไม่หนักใช่ไหมอันนี้เราให้เข้าไปเรา ก, ก็จะชักหน้าไปชังหลังเหมือนกันไอ้วันนี้มันมีวันหน้ามันมีคอยใช้ที่ถ้าพูดอะไรไปถ้าไม่ทําลายประโยชน์เขาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมสาวาดไอ้ตัวนี้แหละคนสงสัยกันมากยิงพ่อค้าแม่ค้ า, ขาเขาก็ยิงสงสัยกันใหญ่เพราะเขาใครต้องพูดไม่พูดตรงนักไอ้ต้นทุนเท่านี้เขาจะขายเท่านั้นท่อนใดเขาขายเท่านั้น อาจจะขายตามจะขายถูกมันก็ขัดคอชาวบ้านเขาแต่ขายแพงขายตาราคานั่นก็รู้สึกกําไรมันมากจะบอกอยังไงก็ต้องบอกว่าเขาขายกันอย่างนี้ฉันก็ฉันก็ต้องขายอย่างนี้ถ้าต้นทุนมันถูกถ้าต้นทุนบาทเดียวขายสิบบาทแล้วก็บอกต้นทุนมันแพงให้แพงเท่าไรแล้วไม่ได้บอกนี่บอกว่าฉันซื้อมาเก้าใบห้าสิบบาทตั พี่ขายสิบาทเช่งนี้ก้ของเขาเราพูดแต่เพียงว่าต้นทุนมันแพงเฉยๆใช่ไหมแค่ น, นี้เป็นส ป, ป็นคํากลางกลางถ้าเขาพอใจเขาก็ซื้อไปเขาไม่พอใจเขาไม่กล้าซื้อก็เป็นเรื่องของเขาอย่างนี้จะถือว่าเป็นมุสาบาตไม่ได้ถ้ามีอะไรไมันนี่ฟางนี่ดีไอ้นุม้มฮะ ไม่รู้เข้ามาได้เขาก็รับเถอะเข้ามาไม่ได้เขาก็ไม่ได้รับแค่นี้ไปรู้ได้ไงคดดันเสียไปนอน น, น, นรกก็ามาได้เลยเหไหมพพระพุทธเจ้ายังช่วยไม่ได้เยโยมช่วยเขาได้กเก่ ง, งพ่เจ้าใช่ไหมเอาถ้าอย่งนั้ไม่เก่งหลงพ่อเจ้าแล้วจะสู้ๆหลวงพ่อเจ้าไม่ได้ คนตายนี่เราให้เขาเถอดดีเขาได้หรือไม่ได้เราก็เป็นผู้ได้ใช่หมแล้วมีสิทธิ์จะรับหรือไม่มีสิทธิ์จะรับถ้าเขาเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตสิบเอ็ดเจมพวกเขารับไม่ได้ถ้าเปรตเจมพวกที่ติดสองคือประหัดถัตโตบัชีวีเปรตเขารับได้ก็ถือว่าเป็นกฎกรรมของเขาสิเมื่อเขาอยู่ทำไมเขาจะไม่สร้างความดีล่ะ ความดีในคนก็สอนอยู่แล้วทำไมเขาจึงไม่ทำเขาไม่รักตัวเขาทขาไม่เรื่องของเขาอืมดีมันจะได้รู้ตัวซะบ้างเราทำให้มันเป็นของดีเป็นเมตตาจิตสำหรับเราใช่ไหมแต่เขารับได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเขาฉันไม่ห่วงไอ้คนที่ไม่ไม่รักษาความดีไม่ชอบดีอ่ะแต่ตัวมันมันยังไม่ห่วงตัวมันเราจะไปห่วงมันทำไม ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงเอาพวกสารนรกขึ้นมาหมดแล้ว อ, อืออะออกข้างนเล เ, เราทำบุญปลารกคนตายได้บุญที่ได้ก็คือเราเป็นผู้ได้รับร้อยเปิดเซ็น ถ้าเราชิดส่วนกวุศลไม่ให้เราก็ได้กำไรอีกชั้นหนึ่งที่เรามีเมตตาจิตได้ในด้านผวมมีฐานสี่ผู้ตายจะได้รับหรือไม่ได้รับก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไห้วเราปลารบให้เขาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รับก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าท่านเต็มใจ <c oughs> ไม่ห้ามท่านใด ความจริงสมัยท่านอยู่ก็มีพระเทศทำไมท่านไม่ฟังใช่ไหมถ้าท่านเต็มใจลงนรกเจอขายคอท่านจะเป็นพ่อเป็นแม่ลายคอท่านบาปนะเห็นไทัานอย่างลงนรกก็ะเปอยท่านลงไปตามชอบใจแต่ว่าเราทําบุญให้ท่านเป็นการหวานเผื่อไว้เป็นความกตัญญูลูกคุณเป็นความดีเสื่อรับเราเห็นไหม ไม่ได้ลุงก็ไปแค่อยากอยากได้ ก, ก, กด็ถ่ายทอดถ่ายอย่างนี้ันบันทึกไปอเอานี้อะไรกันค่ดเศษละห้าสิบบาทใช่ไหมนี่ ไม่ใช่ถ้าอย่างดีมันร้อยนะนี่ลดครึ่งแล้วนะอ้าวาโอ้โทวัดป่านแม้ว่าอะไปู่สวรรค์เนี่ยเขาขายหกสิบทำไมไม่ใช่มีเกาขายราคากันหกสิบบาทใช่ ก็ตามปกติค่าค่าเศษธรรมดาโซนี่มันสาสิบเ็ดแล้วใช่ไหมแล้วนี่ที่นี่กันเองเอาแค่ห้าสิบอ้ออาวแล้วเอางี่สิโยมโยมก็ไปซื้อค่าเศษมาให้เขานะให้เขาถ่ายทอดให้ยังไ ม, ไม่มีอะไรนึกเราพูดสนุกสนุก จะมีอะไรไหมไอ้หนูมีอะไรไหมฮะอะไรนะทาไมจับให้มันตายอ๋อไม่เป็นไรล็อกยังกระยุงที่เป็นเกาะเราอยู่ใช่ไหมบางทีเออเอร์ลูกๆแค่ๆอยากจะไล่กระทบแล้วให้มันไปเอออร์เเอร์มันไม่ไปมันตายนี่เราไม่ตั้งใจฆ่าไอ้หนูไม่เป็นไรเห็น์ตัวนี้ไม่ขาดใช่ไหม คิดว่าต้องมีเจตนาฆ่านะนี่เรากระทุงให้มันเดินไปให้มันหนีไปนะแล้วมันไม่หนีไปกระทุงเข้าตายมันไม่เป็นไรก็อสายเจตนาเดิมเป็นสําคัญไปจับมันเอ้ระวังนะแกไปข้างไหนเขาไม่ต่างใจแกตายแกบินไปมาเขาจับ <c oughs> ได้มโนยุทธิแล้วไม่ใช่เหรอทาไมยังไม่ได้ ฮแม่ไม่ไปเอ อ, เ อ, อนี่พ่อเจ๊บยังไม่ฝึกกันเสียน่ะ เ, ไ ม, เไม่ให้ไปเขาไม่้ไป น, น, นั่นลอว่างันหนีไปดิเนี่ยนีมามันไม่ไหวมันหนีมาเขาไม่ตั้งท่าซะก่อนกไม่บอกเขาไว้ซะก่อนเขาก็จะเที่ยวกันเลยเงี่ยตรงนั้น ฝึกไปฝึกมาในทั้งครูลูกศิษย์หลับหรือกันหมดเสร็จใชดีดีเดี๋ยเตียไว้ด่าพระอีกเห้าตามพระอ่สวยเลยก็ไม่ยากในกลงวักลงวันไปได้ไหมที่วัดนี้ม่รู้อ้วนไปรับสิไม่ใช่วัดเนี้ย ไม่ให้เขเอมด้วยทีทำไมต้องผมหัวโจบ้แล้วกันแล้วกันลูกเขาไม่ไม่ต่นอ่ะเราไม่นี่นี่แหละอยากอยากให้ลูกมีทุกข์กินข้าวเย็นนะเพราะว่ากินแต่กินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นก็ดีเฮ้เวลาเท่าไหร่ออกจาุ่มสองทุ่มสักที่ห้าลองทากันหน่เลิกสามทุ่มสักเจ็ดสี่ทุ่ม ้ า, าจดทุกเพียงนี่มาทันเด็บไปนิพพานในห้องคลอดนั่นถ้าเมื่อลาพาระเจ้าแล้วก็พาพาภาษาพวกหมดลูกศิษย์ท่านห้าร้อยองค์ไปพอไปถึงบ้านก็ถามแม่บอกว่าแม่เมื่อชัยเกิดจะเกิดห้องไหนแม่คลอดห้องไหนใช่ไหมแม่ก็บอกว่าเอตอิษะสษะสมเดิจสารีบุตร นี่เองเกิดห้องนี้แม่ออกเองห้องนี้แกก็ถือว่าเป็นแม่แกไมก่ไม่นับถือวัตสัตน า, าเนี่ยแต่ว่าวันนั้นก็รู้สึกว่าดีใจที่ลูกไปอรหันเจ็ดคนไปบ้านหมดดีอกดีใจว่าลูกไปพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็มีผ้าอรหันติดตามดีห้าร้อยพอถึงเวลากลางคืนบระยาค่ำพระสาธิบุตรก็เข้าไปในห้องนั้นก็บอกกับแม่บอกคืนนี้จะนอนห้องนี้ใช่ไม ท่านแม่ก็จัดที่ให้นี่ด้ายชายท่านที่สันจุนเขานั่งหน้าประตูพยายามเขาไป็นมหาเศรษฐีนี่บ้านนั้นบ้านใหญ่โตมากค่าให้ห้าร้อยนับพักสบายพยายามต้นเทวดาท่านจะถูกมหรารร่ก็มาไหว้เป็นสารีบุตรเวลาลงมาจากฟ้าเห็นแสงสว่างสวยแล้วเข้าไปใน ห, ห้อง แ, แสงสว่างก็สว่างมากจี๊ยบตะเกียงมากท่านแม่นั่งที่หน้าประตูแล้โวโอกเข้าไปดู เั็นท่านเท้ามาราชกาลังไหว้ประสานิบด์าถามท่านจุนน้องชายประสานิบท์บอกสุนให้ามาหาพี่เองใช่ไหมท่านจุนก็บอกว่าท่านเทา้ทาเทา้ทาเจ้าตูมมห า, าชเอ๋สงสัยว่าพี่เองอะโตกว่าเทา้ทาเจ้าตูมมหาราดอีกหรท่านมองไปจะเห็นกำลังไหว้ท่านจึงบอกพี่โตกว่าเลิศพระที่มาทุกองเนี่ยโตกว่าเจ้าตูมมหารดาถึงแม่ แกก็แปลกใจเพราะพระที่เขาท่นี้ไปไปอาหารหมดพอใกล้ถึงยานี่สองท่านจา่าตุมาราษารา่าสีก็กลับในชั้นเราดึงมามีพระอินนำ้ำกระโบนก็สว่างใหญ่กว่าแล้วก็แสงสว่างก็สว่างมากกว่าจา่าตุมาราษฎร์ไอ้แสงสว่ามันก็พุ่งมานหน้าประตูแกสงสัยใชโงอเข้าไปดูอีกเห็นพระอินกลาลังไหว้พระสัททีบทเป็นฐานท่านจุนปรกชุน ใครมาหาพี่เองท่านจุนก็นบอกว่าพระอินทร์เจ๊ก็เลยถามว่าทําไมพระพี่เองนะ่ะโต ก, กว่าพระอินทร์ล่ะเจ๊สงสัยเลยทีเอ๊ะลาวคงถือว่าอินทร์พระอินทร์สูงใด้เก่งอีูแล้วนะท่านจึงก็เลยบอกว่าโตกว่านี่พอถึงยามสามพรหมลงมาพรหมลงมาพรามเขาถือว่าพรหมในสูงสุดใช่ไหมพรหมลงมาแสงสว่างไสวก็สว่างมากกว่าชันดาวเดือน แต่ก็เชิงโกหน้าไปดูเห็นพรมกันมาไหวกัถามนักจิตวิคราใครมาหาที่เองนะแหละเลิกพรมก็ถามว่าเอ๊ะพี่เองนี่โตกว่าพมและพรมมาไหวก็ตโตกว่าแ้่อะไรบอกพระทุกองค์ในพุทธศาสนาที่เป็นอาหารหันตะ์โตกว่าพรมนะที่มาทั้งหมดที่โตกว่าพรมก็แปลกใจก็ถือว่าพรเถิดพ ร, พ ร, พรมสูงพอพรมกลับภาษาในบทก็เรียกแม่เข้าไปในห้องเทศโดด ไอควาสรับสายมันเกิดแค่ไหนเนี่ยเห็นว่าเป็นลูกนี่โตกว่าผมมันก็ตามถือว่าผมสูงสุดที่สูงกว่าผมอีกไอพลาธางก็เกิดเห็นนั้นตาเจ้าตรตมหาราชมากับมาไหว้พระอิงก็มาไหว้ทรงก็มาไหว้ข้า ไ, ไปประเทศสดแท้พระเทศจบทั้งกระดาษโซดาบันเห็นไหมงั้นลูกเปรอะหันขั้นใหญ่ตั้งเจ็ดองนะแม่อย่างด่าพระอีกเลยนะแจ้แม่เธอจะไปเที่ยวเขียนตั้ไม่ได้นะ ใช้วิธีทําบุญแบบย่อก็หมายความว่าพระตางค์แกมีแล้วก็ไปหยิบออกมาหยิบมาแต่ว่าจ ะ, จะให้เงินมันขาดเราสตังค์ระวังไม่แทนถือว่าเงินดั่งเงินนําพักําแรงของแม่เราไปทําบุญแม่พ่อยได้แต่เงินที่เราใส่ไว้ให้แม่นี่เป็นเงินกตัญยูสเวัีเราก็ได้ด้วยให้มันได้สองชั้นแม่ได้บุญด้วยแล้วแม่ก็ได้สตางจากเราไปแต่จะไปบอกเลยน ะ, ะอย่ามามอกโหถ้ามโหแล้วมันบาป ก็วิธีช่วยมันมีเยอะแยะไปมันไม่จเาเป็นต้องไปนั่งเถียงกันถ้าไปนั่งเถียงกันเกิดความขัดใจกันถ้าขัดใจกันก็ด่ากันกนี่ครับนี่เลยลงนรกไปทั้งคู่ <c oughs> หลวงวรวงอ่องาหลวงเขาด่าเราแล้วเราไม่เราไม่ด่าเขาเร า, เ, าเราด่าหรือไม่ด่าก็ตามเขาด่าเราจิตเท่าโมมองเขาจึงด่าเขาจะต้องลงนรกเพราะเราไม่ปรยชน์อะไรเห็น ไ, ไหม นี่พูดทั้งพ่อทั้งแม่นะแต่คนอื่นบรนดาเราไม่อยาดลงนะนรกก็ปล่อยมันเถอะพยุกไปเลยก็ได้การชอบพยุกคนรวมันลงตื้นมันลงลึลลกๆจนไมเชื่อใจใครมันอยากเร็วพยุกสองไหนมันจะไปก็กช่วยมันเรียว่าสนามันน้อยมันลงตื้นเกินไปเหนือไงเอ้คนตกนรกเสีย ใคไปดูตัวเมื่อก่อนก็รู้สึกสลดใจสนงะสารเดี๋ยวนี้ไม่สงสารแนละ้วแล้วความดีมีถมไปทําไมยังไม่ทำใช่ไหมเมื่อก่อนได้เที่ยวเขี่ยวเข่งก็ทำบุญนั่นทําบุญนี่เดี๋ยวนี้ไม่เขี้ยวเข่งใครไอ ค, ความดีเยอะแยะไปก็รู้อยู่เนะี่ยทําไมยังไม่ทําเป็นสัตวนรกก็เฉยๆนอกจากทัณว์รรรนรกที่เราไม่มีโอกาสจะช่วยอยู่แล้วนะ เมื่อเราเดินไปขอบนรกเนี่ยเขายกมือไหวแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้ไม่มีโอกาสจะช่วยอยู่ในขุมนรกที่มีไม่มีโอกาสช่วยแต่ถ้าว่าเราจะช่วยได้ทั้งหมดถ้าเขาช่วยกันได้พระเจ้าเขาเอาขึ้นมาจากขุมนรกหมดแต่มันไม่ช่วยไม่ได้กรรมหนักของเขาเราก็ถ้าเราเห็นเขาตกนรกแล้วก็ต้องเห็ว่าเพราะเขาพอใจลงนรกเขาจึงเขาลงเราเอาขึ้นมานจะเกิดขัดใจทขาไม่ดี ขัดใจกันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมก็คนมันเกิดมามันรู้ดีรู้ชั่วเดกันทั้งนั้นไม่ใช่ไหมรู้ไม่ใช่หุ่ห ล, หล่อหุ่นตอแล้วทําไมยังไม่สร้างความดีทําไมยังสร้างความชั่วอันนี้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องความพอใจของเขาเมื่อเขาอยากจะลุลรกตามความพอใจของเขาเราจะไปขัดใจเขาทําไมคาตาโร و, ตถานตาพระพุทธเจ้าบอกว่าตฐาคตเป็นเพียงผู้บอก เราก็มีหน้าที่บอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกท่านั้นใช่ไหมเมื่อเขายังจะลงนรกอยู่เราก็ตานใจเขาเรื่องอะไรก็มีเมื่อก่อนนี้เขาเคยโทษเราเขาดื้อแบบนั้นแล้วก็ชวนและชวนเล่ามันเข้าเข า, เข า, มาโมโหด่าวก็เลยไปช่วยเขาลงนรกลึกกอีกแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ไอ้ที่มันลงไปแล้วเราเดินไปแล้วก็เฉยเฉยไอ้เห็นไฟไหม้คือคือคือหอกกลับ หอกหอกแทงมีดปันปูเขาเหล็กลิ่งทับไฟไหม้ก็เฉยๆี่เฉยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีโอกาสจะช่วยเขาได้เนี่ยแล้วก็เราลงไปถามในสมัยเขาเขามีพระมันก็มีใช่ไหมแล้วทําไมเขาจึงไม่สร้างความดีหลีกเลี่ยง น, นรกล่ะทำไมเขาพอใจแล้วมันเรื่องพอใจของเขาเอ้คนหนึ่งจะกินเหล้าเราไปชวนกินน้าหวานนี่มันเต๋อหรอรับรอยก็กินเหล้าเหรอมึงไง เราให้โง่ยังมึงกินเหล้าล อ, อยควายาเหรออท่านอ๋อเนี่ยเหล้าเลยเออนี่ก็แหลมแลลวจับเลยเอาดิเด็กชายจนจะหงสุ่มนะใกล้หงสุ่มเด็มทีนะพยยังไปก็โชคดีมีสุขนะ อ่ใครได้แล้วก็ช่วยช่วยอยู่ใกล้ๆช่วยซ้อมกันนะถ้าทานที่ดีได้เทพตรพบมาแล้วก็เอามันั่งฟังกันเป็นกลุ่มตามจะได้คล่องถ้าไปตามนั่นน่ะไม่ผิดแหละไม่ไม่ต้องสนใจไฟ ไ, ไ, ได้แล้วแนะระว่างเมื่อกระชังมัน <c oughs> อย่าไปยุ่งกับไอ้เรื่องที่มันเปนเรื่อง <c oughs> อไอ้ขี้หมูที่ไม้ไม่สนใจมากนักใช้ไม่กระชอบอ ใครท้าฐานดีมันดีฉันด่ดาโสไม่ได้เรื่องในเราในเรื่องที่เขให้เอาไม่เอาใช่